พระธรรมเทศนาแผ่นที่ห5าลำดับที่15โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2556รมีชื่อเรื่องว่าคุณของไม้เรียว เห็นไหมเจนีร้องเพลงแล้วเนี่ยมันมันเห็นพวกเรามามากอ่ะเดีมันก็เลยร้องเพลงให้ฟังเห็นไหมเนี่ยเออเออเออเออเออเออเห็นไหมเจนีสีดำเจนีตัวนี้หลวงพ่อตั้งชื่อให้ว่าไอ้สมชายเออเจนีสมชาย อายุยืนนะตั้งแต่มาสร้างวัดใหม่ๆมันมาแล้วนะเอามาแล้วเดี๋ยวที่มันยังอยู่มันยังกระโดดโลดเต้นต้นไม้ได้อยู่โอ้หลวงพ่อชนินอายุยืนกว่ากว่าหมาหมาของเรานี่อายุแปดเก้าปีนะอายุของหมาพื้นบ้านนะถ้าอายุหมาฝรั่งนี่ก็ประมาณสิบห้าสิบหปีเป็นอย่างมากกระตายและหมาไต้องให้อาหารฮะาารไม่มันมันมันถ้ามันหิวมันก็หมา ถ้ามันหิวมาตะกรอนมันมามาเราก็พวกให้กล้วยบงังอพวกไอแอปเปิลบงังอาหารเราเราชุดแรกเราจะให้มันแต่ทุกวันนี้พอเห็นแอปเปิลมามันมองเห็นแลย้ยมันเฉยโยนเข้าไปมันก็ไม่รับเพราะฝันมันไม่มีเออถ้าเห็นกล้วยมาเออในระหว่างนั้นเถอะเออถ้าเห็นถ้าเห็นแตงโมบงังเห็นกล้วยบางเนี่ยเอออันนั้นชอบ แต่พอเห็นของแข็งๆโยนขึ้นไปเนี่ยแปลว่าไม่รับเลยงั้นเถอะกินไม่ได้แต่ว่าตาเขามันไม่ค่อยดีเดี๋ยวนี้ตาเขามันดูๆใกล้ๆเขามันตาขนมันค่อยๆว่าเป็นตาฝ้าขาวๆข้างหนึ่งเออชนีมันก็ใช้กรรำบรนกันะตาไม่ดีข้างหนึ่งแต่โดยมากมันเวลาเห็นฝูงเลิงไปเนมันจะไปกับฝูงลิงองเลิงก็ไม่อยากจะให้มันเป็นโมอีกทีหนึ่ง แต่ไม่อกมันก็ไม่มีหมู่มันอยู่ตัวเดียวไปไปมาๆอย่างนี้นชานีดำตัวใหญ่นะแต่ก่อนหน้านี้ดุดุเคยกัดคนแต่ลด้หายหายหายดื้อแล้วเพราะมันแก่แล้วอายุมันมากแล้วมันมันแก่แล้วมันก็เลยไม่ไม่ดื้อเท่าไหร่เดี๋ยวนะี้ ตั้งใจเรียนหนังสือนะลูกหลานนะหลวงพ่อได้เย็นแล้วก็เนี่ยคอมพิวเตอร์ธุรกิจเนีคณะหนึ่งแล้วก็การสื่อสารการตลาดนี่คณะหนึ่งที่มาด้วยกันสองคณะเป็นคณะที่สําคัญทั้งหมดนะลูกหลานนะแต่ว่าต้องพยายามเรียนให้เข้าใจให้เก่งนะไม่ใช่โอกาสไม่ใช่เราเที่ยวไม่ใช่เราเล่นไม่ใช่เราทะเ ล, ะลาะถลัยเราต้องเรียนหนังสือต้องตั้งใจเรียน พอเรียนจบแล้วเราไปทํางานที่ไหนบริษัทท้างร้านเขาเนยเขาก็รับหมดก็เห็นไรเพราะว่าความสามารถเรามีแต่ถ้าลูกหลานเรียนแต่สั ก, กว่าเรียนเอพอผ่านๆไปตนเองเพราะยังไงมันก็ต้องจบไปแล้วตะเขา้าราชพัฒน์พอเรียนจบไปแล้วทีนี่ไปทํางานที่ไหนเอาสมัครคิดคอมพิวเตอร์ให้ดูสิทําไม่เป็นไนอ้าวเขาจะรับให้ทํางานทําไมใช่ไหมเงินเดือนมืน่นตั้งหมื่นห้าใช่ไหมล่ะเออ เขาจะรับทําไมนี่ยแหละมันบอกเจ้าของบอกยี่ห้อตัวเองเนีสิโอเราเนี่แย่มากเลยทําไมสมัยเราไปเรียนหนังสือทําไมเราไม่ได้สนใจแต่ประเทศเราจะมาทํางานเขาจะไปรับเราได้ยังไงเพราะเราทํางานไม่เป็นนี่แหละการสื่อสารของเหมือนกันการสื่อสารการตลาด เ, าเพราะว่าอีกไม่นานอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี่ปี58มั้งประเทศไทยของเราก็จะเข้าประชาคมอาเซียนแล้วนี่ เนี่ยหลวงพ่ อ, อยู่ในป่าหลวงพงไพหลวงพ่อก็รู้นะประชาคมอาเชียนนี่ทำยังไงลูกหลานต้องเรียนรู้ภาษาเนี่ยสำคัญนะลูกหลานนะอย่าไปมองข้ามเรื่องภาษาอังกฤษภาษาอังกฤาษเนีาา่ยสำคัญมากถ้าใครได้ภาษาจีนด้วยก็ยิ่งดีภาษาจีนด้วยภาษาอังกฤษด้วยไม่ควรประมาทถ้าว่าพวกเราจะเก่งขนาดไหนก็เก่งเถอะเก่งสื่อสารขนาดเก่งคอมพิวเตอร์เก่งขนาดไห น, น, น, นก็เถอ ถ้าภาษาไม่เก่งก็ต้องเป็นลูกน้องของเราเป็นลูกน้องของเขมรเป็นลูกน้องของยวนทําไมเพราะเราสื่อสารกับเจ้านายของไม่ได้ใช่ไหมล่ะอันนี้เขาได้ภาษาเนี่ยเขาบอกตัวเองทําเก่งขนาดนี้ก็ต้องเป็นลูกน้องของฟังเขาอย่างนี้เถอะเนจุดแท็แต่เขาจะสั่งตัวให้ตัวเองให้ทําอะไรเพราะในโซ่ก็เลยฝีมือของตัวเองก็เก่งขนาดนี้เขาเป็นเจ้านายอีกอย่างเก่า จุดนี้ ล, ลูกหลานต้องคิดนะลูกหลานรุ่นหัวใหม่นะอันนี้หลงปู่หลงตาอยู่ในปลาดงพงไพเนะหลงตาคิดได้นะถ้าสูเจ้านะ่ะไม่เก่งภาษาอังกฤษนะสูเจ้าจะเก่งเอการกระทําฝีมือขนาดไหนก็เถอะจังเป็นลูกน้องของคนที่ได้ภาษาเพราะนั้นเรื่องภาษาจะมองข้ามไม่ได้นะลูกหลานนะเอโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งคอมพิวเตอร์นะเนี่ยหรือว่าการสื่อสารเกี่ยวกับคนทั้งนั้นเลยเนะี่ยเกี่ยวกับคนทั้งนั้นเลยเราจะต้องเข้าไป สู่ชุมชนและสังคมประชาคมอาเซียนอีกไม่นานเพราะฉะนั้นลูกหลานทั้งหลายนะการเรียนให้ตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนให้ดีให้เข้าใจตรงไหนไม่เข้าใจให้ถามครูบาอาจารย์ของเราเให้ศึกษาให้มั่นใจให้ศึกษาให้ถามไม่ใช่ว่าเรียนไกลๆไปแล้วจบจบไปพอจบไปแล้วเนี่ยทําอะไรก็ไม่เป็นนั่นแหละบอกยี่ห้อตัวเองเ่ยทีนี้โอ้กูทําไมโง่นักวะ อยู่กับครูบาอาจารย์ทำให้กูไม่ตั้งใจเรียนหนังสือนะทำไมค่าออกม า, า, า, กางงนี่ยค่าจริงๆจะว่าโง่ทีไหนมันทําอะไรไม่เป็นนะขนาดนั้นจะทํายังไงได้ล่ะผลที่สูดก็เลยลนะ่ะไปทําไร่ทํานาจารถจาสวนไปกีดยางอีกอย่างเก่าทั้งที่มันจะได้ทํางานจบมาออคอมพิวเตอร์ธุรกิจแล้วกัการถือร่อสารการตลาด เ, เป็นวิชาที่ดีทั้งนั้นเลยประทันให้ลูกหลานนะ เป็นวัยเรียนนะลูกหลานนะไม่ใช่วัยเที่ยววัยเตรนะเที่ยวเตเรมันเรื่องที่ลหลังหรอกให้ตั้งให้ตั้งอกตั้งใจทําการทํางานให้ต้งตั้งอกตั้งใจเรียนหนังสือนะช่วงนี้เป็นช่วงเรียนต้องเรียนให้หนักตรงไหนที่ไม่เข้าใจให้ถามครูบาอาจารย์แต่เรียนภาษาอังกฤษเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยถึงยังไงจะไม่ใช่วิชาของตัวเองก็ควรจะศึกษาควรจะเรียนเอาไวนะ้นะวิธีหลวงพ่อสอนบอกมะ วิธีเรียนภาษาอังกฤษง่ายๆนะลูกหลานนะที่ท่านได้ด็อกเตอร์มาแล้วท่านบอกบอกกับหลวงพ่อนะอท่านบอกท่านตกรเนื้อท่านบรรนอกเรียนภาษายากภาษาอังกฤษนี่ย English, ท่านบอกว่าเนี่ยท่านเอาปากกาเมจิกเนี่ยเขียนเขียนเขียนใส่กระดาษแผ่นนี้เลยไงไก่ตัวผู้ว่าไงไก่ตัวเมีย ว, ว่าไงลูกไก่ว่าอย่งไงเขียนแกลแปลแปเสร็จแล้วก็ไปติดใกระดาษไว้ข้างฝาใช่ไหม เสียแล้วก็เขียนก็ติดติดไว้เต็มไปหมดเลยทั้งสองข้างภาษาอังกฤษตัวใหญ่ภาษาใสายสับไหนยากๆเขียนใส่การที่จะพูดคํานี้ไปหาคำนั้นคำนั้นโยงมาหาคํานี้แล้วเราจะเราจะโยงเขาว่าอย่างไงนะคานี้ตกคํานั้นแล้วคนอย่างนี้โยงไปหาผู้หญิงกับผู้ชายอย่างนี้เราจะโยงนักธุรกิจโยงไปหาคนวาอย่างไงข้าวไปเจ้ากับเขาของเขากับข้าวไปเจ้าว่าอย่างไงอแล้วเราจะพูดกับประธานาธิบดีว่าประธานาธิบดีพูดเกับข้าวว่าอย่างไง มันปีน้ำสัพท์ของเขาแล้วก็จดจ ด, จ ด, จดไว้ ต, ต, ต, ต, ติดไว้เลยทีนี้พอเข้ามาเรานอนมันก็เข้าสมองเอาทีละน้อยแล้วน้อยแล้วน้อยอาจากนั้นมันก็เก่งเองทีนี้นี่แหละเรียนภาษาอังกฤษไม่ใช่ว่ า, าพอจะอ่านพอเขาจะตอบเท่านั้นเองยังค่อยหาเส้นสอนอย่างนี้นะจะไปเรียนจําได้ยังไงถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นฟังไว้นะลกูกหลานนะอันนี่หลวงพ่อสอนนะหลว ง, งพ่ออยู่ป่าสอนนะ สอนแบบปัปาสอนแบบธรรมชาติเข้าใจไหมไม่ใช่สอนแบบหลักวิชาการอย่างที่ว่าน่ยคือเรียนภาษาอังกฤษเราจะอยากจะเรียนให้ได้เร็วแล้วอ่ะนั่นแหะต้องเขียนไว้เลยเนี่ยรอบห้องนอนของเราเอาอะไรกาวติดไว้ข้างบนติดไว้ข้างล่างเลเป็นแผ่นๆพออ่านจบเสร็จแล้วเออจำได้เราก็เสีออกเอาตัวหม่เข้าไปแทนอีกเนี่ยนี่แหละเรียกว่าหัวข้อจะเป็นวิทย์เป็น อังกฤษเป็นอะไรก็ตามที่เราจํายา ก, ยากเอ๊ะสับเนี่มันจํายากไปเอ๊พอกลับไปถึงแล้วก็เขียนเขียนเขียนเขียนเฉเลย เ, เขียนแล้วก็ติดไว้เอ๊จากนั้นมากันเราลืมตาขึ้นใหม่แล้วก็เห็นเลยเอ๊ะวันนี้ครูเขาจะสอนเรื่องอะไรแล้วก็อ่านอ่านอ่านดูเนี่ย น, น, นั่นแหละผลในสุดพวกเราน่ยโอยเมียฝรั่งเนี่ยสู้เราไม่ได้หรอกเข้า <c oughs> ใจไหมเออเมียฝรัง่งเนสู้เราไม่ได้เราต้องเก่งกว่า ทุกวันเลยเห็นไหมไอ้เมียฝรั่งเมืองอุดรของเราต่างเยอะแยะอะไรมันยังพูดภาษาผิดภาษาถูกเออปวดูกมันยังพูดภาษาได้ใช่ไหมเราต้องพยายามให้เก่งกว่านั้นอีกใช่ไหมต้องรู้จักศัพท์รู้จักแสงต้องเรียนภาษาต้องให้ได้นี่แหละหลวงพ่อบอกว่าไงประเทศไทยเป็นเอกราชมาตั้งนมนานไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครเลยในละแวกนี้พอมาเข้าประชาคมอาเซียนเห็นไหมเมื่อกี้เนี่ย เ, เมืองไทยของเราตกเป็นอันดับแปดในสิบประเทศเมันจะเป็นรองใครของมรุรองพอนะรองค เ, เมรหรือรองเราหรือรองพม่าวะน่าอดสูดูได้จริงจริงการศึกษาของเมืองไทยทำไมลูกหลานลูกหลานได้ตรวจตาดูตนเองไหมแต่ละพว่จารณลูกหลานเที่ยวใช่ไหมอ่านหนังสือออกหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยคือมานั่งนั่งอยู่แถบนี้ หลวงพ่อยังสงสัยเลยเกินตกเป็นอันดับ8ปวกเราได้ยินไหมขนาดหลวงพ่ออยู่ในป่าหลวงพ่อรู้นะโอ้ตายตายตายหลวงพ่อการศึกษาเมืองไทยทำไมแย่ถึงขนาดนี้เป็นยังไงในสมาคมอาเซียนโดยการเนี่ยตกเป็นอันดับแปหลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อกับเสดุงอีกเหมือนกันทําไมก็เพราะว่าหลวงพ่อว่าส่วนหนึ่งก็คือเมืองไทยของเราเนี่ยไม่ใช้ไม่เหลี้ยวตัวนี้แหละตัวที่ไม่ใช้ไม่เหลี้ยวตัวนี้แหละหลวงพ่อว่าเป็นจุดด้อยของ ของเมืองไทยถ้าไปเรียนอย่างฝรั่งฝรั่งเขาไม่ใช้ไม้เหลียวกะเจริงอยู่แต่เขาทําวิธีการอย่างไงเขาสอนอยังไงเขาไม่ใช้ไม้เหลี่ยวของเขา เ, เขาต้องสอนมาจากครอบครัวของเขาครอบครัวของเขาสอนดีแล้วจึงมาโรงเรียนพอรงเรียนเสร็จแล้วลงเรียนมีระบบยังไงสอนเด็กเหล่านั้นเด็กของเขามีระเบียบมีวินัยดีมากไปที่ไหน อ, อฝรั่งเยอปุน่นพวกเสศนกระดกเสียกระดาษเห็นทีไหนใครเห็นเก็บใส่กระเป๋า ไปถึงถังขย ะ, ะแล้วก็ควักทิ้งใส่กระเป๋าหรือทิ้งพลาสติ ก, กอันนั้นคือเด็กฝรัง่งเด็กยุโรปแต่เมืองไทยของเรานี่นเท้งไปหมดเลยไม่มีมรารยาทเลยลกูกหลานได้เห็นไหมแต่ทีเด้จะไม่ให้ใช้แม่เลียวจะทำยังไงมันต่างกันทางเยอะแยะถ้าเอาเขามาเอาต้องเอาทั้งรุน่นเอาตั้งแต่ลเล่มอออมาเอาวิธีการสอนมามาถึงจุดนี้มันจึงจะได้ อันนี้มาหยิบเอาแต่หน่อยเดียวท่านเองไม่ใช้ไม้เรียวท่านเองแย่ yeah. การศึกษาของเมืองไทยนี่แหละเหลวงพ่ออยู่ในปา่าหลวงพ่อวิเคราะห์นะหลวงพ่อวิเคราะห์บอกว่าเนี่ยที่เมืองไทยเราเรียนหนังสือมตกตนะ้อยเพราะอะไรเพราะขาดไม้เรียวบางทีเด็กดื้อเขต้องใส่ไม้เรียวถ้าคนดื้อก็ต้องจับเข้าคุกต้องขังไว้มันดื้ อ, อมันทําร้ายคนอทําไมคนอยู่ด้วยกันทําไมทํำร้ายเขาต้องจับเข้าคุก เพราะมันผิดกฎหมายถ้าเด็กดือถ้าบอกไม่ฟังก็ต้องเอาใช้ไม้เลียวอันนี้คือธรรมชาติการสอนกันถ้ามันดีแล้วจะจะไปใช้ไม้เลียวทาไมจะไม่ไมละ่ะหนังสือหลวงพ่ออลไรวนี้นะ่ยหลวงพ่อส่งเสริมให้ใช้ไม้เลียวคือไม่ใช่หลวงพ่อส่งเสริมนะหลวงพ่อยกนิทานให้ฟังสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้านะ่ จะด็ดประทับอยู่ที่กรุงสวัสถีพร้อมกับพระสงฆ์มีพระสงฆ์หมู่ใหญ่กลุ่มหนึ่งพูดไม่รู้เรื่องเออด้อด้านพระสงฆ์ก็เลยพระพุทธเจ้าเรียกมาแล้วก็ดุกดุพระสงฆ์แต่ตามไม่จริงพระพุทธเจ้าไม่น่าดุใช่ไหมพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์แล้วจะดุคนทําไมใช่ไหมแต่ท่านก็ต้องดุคําว่าข้าท่านบอกว่าคนที่ที่ดื้อด้านต้องดุคนที่ดีอยู่แล้วต้องยกสรรเสริญ แต่คนไม่ดีขมภาษาเขาเรียกว่าภาษาภาษาบาลีเขาว่านิคไขหะนิคไขหะแปลว่าขมปักไขหะแปลว่ายกย่องคนที่ทําดีต้องยกย่องคนที่ทําไม่ดีต้องขมอันนี้คือหลักของพุทธศาสนาพระพุทธองค์ท่าพุทธเจ้าบอกว่าสมัยหนึ่งก่อนหน้านี้นทิสสาปาโมง เ, เคยเคขียนมาแล้วเครียนพระองค์เนี้ยมันเดื้อ แต่ใน้พระสงฆ์ทั้งหลายกราบโทูพ้พระเจ้าสมัยไหนพระพุทธเจ้าค่ายที่ว่าที่ว่าอาจารย์เขียนลูกศิษย์นะพระพุทธองค์บอกว่านี่สมัยหนึ่งพระเจ้าพ ม, มาทัดของราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีสมัยนั้นมีทิศะปะโมกอาจารย์อยู่ที่เมืองตะกะศิลานแต่เมืองตะกะศีลาทุกวันนี่คือเมืองทาริบันนะ ทาริบันทุกวันนั่นแหะคือเมืองตะกะศิลาเก่าลูกหลานอยากจะรู้ว่าเมืองตะกะศิลาตะกะศิลานอยู่ที่ไหนนั่นแหละคือเมืองทาริบันนั่นแหละเดี๋ยวนี้ที่เมืองที่กันดารมากแต่แตอนนี้นพวกที่เมืองที่กันดารโดยมากจะมีอัจฉริยะไปเกิดพวกที่อัจฉริยะคือคนที่มีหัวปล่ไปเกิดในในเมืองในเมืองอย่างนั้นจากนั้นก็นี่ยไปเกิดเขาก็สอนวิชาหมดทุกอย่างเลยเป็นเมืองวิชาเป็นเมืองวิชาการตอนนี้นพระเจ้าแผ่นดินก็ดี เศรษฐีคนนี้พ่อค้าในเมืองต่างๆ เ, เขาจะหลังไหลไปเรียนที่เมืองตะกะศิลาเมืองตะกะศีลาเนี่ยเป็นเมืองวิชาประดิษฐ์วิชาให้แกรัฐกษัตริย์จะเรียนวิชาไหนวิชาลบวิชาพุ่งวิชาใช้หอกแลนเลาววิชากลละเม็ดวิชาพิคณิตศาสตร์วิย์เขาเรียนรู้ทั้งหมดก็สอนให้ใดทั้งหมดประเทศเขาเรียนเป็นสองผลัดผลัดหนึงก็คือพวกที่มีเงินเศรษฐีกับกษัตริย์เขาจะเอาเงินไปเอาไปวาง ไววางให้ทิศตะประโมกนพวกหนึ่งเนี่ยไม่มีเงินแต่ก็อยากจะเรียนเออเอาพวกที่อยากจะได้เงินอยากจะเรียนนี่กให้เรียนกลางคืนกลางวันให้ทำเอาของทำอาหารทำนาทำไร่ทำสวนไอ้กลุ่มนี้ให้มีคนคุมทำไร่ทำสวนอพอเสร็จแล้วก็พวกนี้ก็เรียนกลางวันพรามีเงิน เ, เสร็จแล้วก็พวกนี้พอเรียนกลางวันเกานั้นพวกนั้นกลางคืนเข้ามา พวกนี้ก็ได้กินอาหารพวกนั่นแหละพวกอาหารเป็นพวกทาอาหารพวกนั้นพวกทำอาหารเลี้ยงพวกนี้พวกนั้นใช้แรงพวกนี้ใช้เงินใช่ไล่ะมันหมุนเวียนกันน่คือการบริหารในยุคสมัยนั้นทีนี้นก็พอตกกลางวันพอนอาจารย์ญญสอนเสร็จตอนเย็นเเขาไม่มีน้ำประปาเลยใช่ไหมล่ะคนทา่อยู่มากไม่มีน้ำประปาก็พาลูกศิษย์ไปอาบน้ำไปอาบน้ำใ น, ในแม่น้ำท่าน้ำ ไป 3-4-500 คนพาไปพาลูกศิษย์ไปอาบน้ำพอไปถึงเจดีเจ้าฟ้าชายเมืองพาราณสีเนี่ยกำลังเป็นหนุ่มเหมือนกันกับกษัตริย์ต่างๆแต่เมืองพาาณสีเป็นเมืองใหญ่นะถ้าเป็นเอเชียของวันนีคือเป็นอินเดียหรือว่าเกณฑนอย่างนี้แหละให้าเขาว่าเป็นประเทศที่มีอำนาจศักยภาพในการบริหารในกรุงพาาณสีเนี่ย จากนั้นเจ้าฟ้าชายกรุงพหลนศรศีนี่ยก็อนไปเรียนหนังสือด้วยกันพอไปอาบน้ำอาจารย์ก็เดินไปไปก็ไปลุกสิทธ์เนี่ยเออเจ้าฟ้าชายเนี่ยไปเห็นยายแก่เนี่ยกลังตากถั่วีิสงอยู่ใช่ไหยจุกห้างถนน เ, นเออเจ้าฟ้าชายเนี่ยก็ไปหยิบขยุ่มมองเอาไปก็ไปกินอาจารย์เหอมันไม่ใช่ใช่ไหมล่ะมันไม่ถูกใช่ไเอจากนั้นก็ ต่อมาเอกมันเห็นอีกยายมาตากแถวใน อ, อาจารย์ก็เฮ่ดังก็เก่าอีกพอครั้งที่สามอีกท่นนี้กำเอาเลยท่นี้เออเพราะมันอร่อยใช่ไหมล่ะพอลูกจายนี่ก็เลยโวยวายท่นีย่ยายแกนี่โวยวายว้าอาจารย์ลูกชิดของอาจารย์เนี่ยทำไมนิสัยไม่ดีเลยเออทั้งที่จะมีมารยาทอย่างน้อยก็ขอฉันซะก่อนอันนี้ยิบขยุ่มเลยเหมือนกับอะไรต่อไปภายภาคหน้าจะเป็นยังไง ถ้าลักษณะอย่างนี้บ้านเมืองไม่มีคือไมีแปรอย่างนี้จะทำยังไงออาจารย์โรเซ่เนี่ยท่านอาจารย์ลูกทําไมอย่างนั้นอาจารย์ก็ได้บอกว่ายศจับไอ้นัทพวกลูกน้องทั้งหลายก็จับเลยใช่ไหมเพราะอาจารย์สั่งให้จับพวกนั่งไอ้นังผิดไอ้นั่งก็จับเลยเพราะอาจารย์สั่งให้จับอ่าจับพวกนั่งก็จับพอจับได้อาจารย์ก็แซ่หวดเลยใช่ไหมเนี่ยเลยแซ่ใส่หลังเลยเพี้ยเพี้เพี้เลย พอใส่หลังเสร็จเรียบร้อยกัต่างคนก็ต่างไปกันทไม่ไม่ว่าอะไรกันไปต่างคนก็ต่างไปเดินไปอาบน้ําเสร็จเรียบร้อยกลับมาเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเ อ, อตักนั้นก็เข็ดเลวทีนี้โอ้อาจารย์เอาจริงใช่ไหมละ่ะเ อ, อมันไม่ใช่ธรรมดาทนะี่ใครก็กลัวหมดแล้วไม่มีมารยาทเนยอาจารย์เอาจริงๆใช่ไหมพอต่อมาทีนี้ก็เรียนจบนอาจารย์นักศึกษาในเรียนจบพอจบแล้วทีนี้ก็ กลับไปกลับไปในไปในบ้านพ่อกลับไปบ้านเมืองกลับไปแสดงศิละปะวิทยาตัวเองที่ได้ศึกษามาจนเป็นที่ยอมรับของของพ่อของกษัตริย์ทั้งหลายจากนั้นพอพระบิดาสวรรคตเขาก็เลยยกให้ท่านเป็นเป็นพระเจ้าแผ่นดินแทนเป็นเจ้าฟ้าชายเป็นแผ่นดินเระเจ้าแผ่นดินแทนในเมื่อเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่นี่ในใจในใคล้ายๆมันยังเจ็บอยู่ที่หัวใจ ที่อาจารย์เขียนหลังตัวเองนะอจังเจ็บปวดอยู่ในใจถ้าไม่ได้กุดหัวอาจารย์เแล้วมันคงไม่หายโกรธหรอะอะนี่แหละถ้าไม่ได้กุดหัวอาจารย์เนี่คงไม่หายโกรธนะข่าวนี้วันจากนั้นก็เลยเขียนจดหมายไปไปหาอาจารย์ที่สั ป, ปโมกอาจารย์ที่สั ป, ปโมกก็ได้อ่านจดหมายโอ้ไอ้นี้เอได้ได้เป็นใหญ่เป็นโตได้ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้ว ไม่ยังไม่ลืมอาจารย์ไว้เพราะอาจารย์โดนเคียนหลังไปแล้วมันยังไม่ลืมเนะโอ้เงี้ยเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมมันวะไอ้กีดีนี่นะอาจารย์ก็ถือคล้ายๆว่าไม่ได้ใส่ใจอะไรเลยมันจบแล้วก็คือจบไปใช่ไหมตอนนี้นอาจารย์ก็นั่งรถม้ามากับเมียของตนเองแม่บ้านเนะี่ยพอมาเขา ก, ก็พระเจ้าเป็นนี่ก็บอกว่าถ้าหากว่าอาจารย์มานะคนอย่างนี้มาปล่อยเข้ามาเลยนะเขาก็สั่งสั่ ง, งไป แต่เธอมาเข้ากด ม, ม, ม, มามามาตามนั่นแหะมาตามที่เส้นทางพอมาถึงนี่พระเจ้าแผ่นดินก็นั่งอยู่ในท้องพระโรงในบันหลังไงบันหลังท้องพระโรงอย่างนี้แหละอคล้ายๆกับว่านักโทษเข้ามาอานักโทษเข้ามาก็คือโทษทใหญ่โทษที่หนักๆนะ่ะก็จะต้องผ่านพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินทนับเป็นผู้ตัดสินอถ้าว่าโทษเล็กโทษน้อยกับพวก อ, าอํามาอวินิจฉัยคดีความถ้าโทษใหญ่ก็พระราชาะ ตอนนี้คนก็จกมาพระราชากับตดตินเอาโทษประหารจำคุกอะไรลักษณะอย่างนั้นนอ่ยทีนี้ก็เห็นอาจารย์เข้ามาอาจารย์เดินเข้ามาอาจารย์ก็คิดว่าจะเข้ามาจะคารวะตามาตามที่เป็นพระราชานะพอลูกศิษย์นี่เหลือเพ็นอาจารย์เดินเข้ามาบอกว่าอาจารย์อาจารย์คิดดีอะไอย่างเข้ามานี่เดินเข้ามาหาเราเนี่ยคิดดีอลไอย่าง อาจารย์กัตเตลึงเหมือนกันนอาจารย์คิดทําได้ยังไงอาจารย์เคยคิดไหมว่าผมจะเป็นใครต่อไปภายภาคหน้าผมเนีเป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าพ ม, มาทัดกรุงพา ร, รใในพันศีใหญ่ในเพิร์ตปฏิพีเนี่ยในช่วงนี้ในเมื่อผมทําอย่างนั้นน่ะมันไม่ใช่เรื่องหนักหนาอะไรแล้วจับผมมาเคี่ยนหลังมันน่าอดสู ด, ดูรายขนาดไหน หมู่เพื่อนของผมเท่าไหร่ผมมันไม่ได้เจ็บอยู่ที่หลังนะมันเจ็บที่หัวใจของผมต่างหากเนี่แหละ ว, วันนี้อาจารย์มาในะคิดดีหรื อ, อยังผมจะกุดหัวอาจารย์เข้าใจไหมมาวันนี้ผมจะกุดหัวอาจารย์เออถ้าเมื่ผมไม่กุดหัวอาจารย์เนะี่ยผมไม่หายแค้นเพราะฉะนั้นผมจึงสั่งให้มาเนะี่ยอาจารย์คิดดีหรื อ, อยังอาจารย์ในเย็นก็ไม่รู้จะเอาอย่างไรใช่ไหมตะลึงเลยอาจารย์ก็ ชี้หน้าพระราชาเลยเหมนเถอะไม่ถอยเหมือนกันนะเพราะมันถึงยังไงตัวเองก็จะตายอยู่แล้วใช่ไหมล่ะท่านพระราชาท่านทําหน้าที่นี้ถูกต้องที่ท่านจะทําให้ข้าพเจ้าอย่างไงเพราะเป็นหน้าที่ของท่านท่านทําถูกต้องแต่คราวนั้นะทําผมทําหน้าที่ของข้าพเจ้าทําหน้าที่ของอาจารย์อข้าพเจ้าทําหน้าที่อาจารย์ในช่วงนั้นข้าพเจ้าทําคิดว่าทําถูกแล้ว ถ้าว่าข้าพเจ้าไม่เคี่ยนหลังของท่านนะท่านจะมีวันนี้ไหมท่านคิดดูซิ<อ>ถ้าว่าเราไม่เคี่ยนหลังท่านในวันนั้นท่านจะมีวันนี้ไหมท่านนิสัยเหลือขอพอแรงเน่ยที่เราดูพอเราเคี่ยนหลังเข้ามาท่านรู้สึกว่าสงบส ง, งียบลงไปเยอะเยอะเลยอที่เราทำเพราะฉะนั้นท่านต้องคิดดูให้ดีท่านจะทําอะไรฟังอื้ใช่ถ้าอาจารย์ไม่เคี่ยนหลังข่าวนั้นนะเราคงไม่มีวันนี้ว่ะ เพราะเราโอ้โหมันมันมันเห่เขิมันรื้อแล้วเกินในช่วงนั้นอ่ะแต่พออาจารย์เคลื่อนหลังเท่านั้นแหละโอ้โหไม่ใช่ธรรมดาด้วยเน่ยข้าจะเป็นใครเขาไม่เลยขาไม่ได้ละเว้นเลยเขาแทะหัวหลังเลยเจากนั้นอาจารย์ก็เลยพระเจ้าเป็นเองก็เลยคารลงจากบันลังไปกราบเท้าอาจารย์ท่านอาจารย์ครับผมสสารภาพผิด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอให้อาจารย์เป็นประธานที่ปรึกษาใหญ่ของผมก็เลยให้เป็นประธานองค์คมนตรีเลยบหมือนนเถอะก็เลยอยู่กับอยู่กับลูกศิษย์หัวดื้อคนนั้นตลอดไปเลยนี่แหละแล้วว่าชาดกเล่นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าคนดื้อถ้าเราลงไม่ลงไม้เหลี่ยวจะเป็นยังไง ถ้าเขาจะเป็นปาฏิตอไปภายภาคหน้าเขาจะต้องสานึกได้ว่าถ้าเราไม่ได้ถ้าเราไม่โดนอาจารย์ลงไม้เลี้ยวแต่ข่าวนั่นนะเราจะเป็นยังไงถ้าอาจารย์ใจดีเอาง่าก็ได้ผลในสูตก็เลยเลอะเอเถอะเถอะเลอะเลอะในสูตรอ่านหนังสือก็จะไม่ออกเอาเลยเนี่ยจบไปก็จบไปอย่างงั้นนะ่ะจบแบบไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถเข้าอยู่ในชุมชนสังคมใดโน่นเป็หลบอยู่ท้างหลังเขานน่นออไม่กล้าที่จะออกเผชิญหน้าเขาได้เพราะเหตุอะไร เพราะว่าความรู้ตัตอ่อนความรู้ของเรามันอ่อนกว่าเขานีน่อันนี้ิดเพาออะไรเพราะอาจารย์ใจดีจะพูดออกไปก็กลัวเสียใจลูกศิษย์ลูกหาสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อว่ามันน่าจะเข้มแข็งนะลูกศิษย์ลูกหาลูกลานนะให้ตั้งใจเรียนหนังสือนะถ้าหากว่าพวกเราขี้เกียจเรียนหนังสือพอเข้าประชาคมอาเซียนนี้เนนะี่ยพวกเราอยู่ที่หลังเขา เดินตามหลังลาวเดินตามหลังกระเหม็นเดินตามหลังยวนเดินตามหลังพมา่านขายขี้หน้าจริงๆนะลูกหลานนะหลวงพ่ออยู่ในป่านี่จะมุดเข้าไปผูก้อนอีกให้ลึกกว่านั้นไปอีกมั้งนั้นเถอะถ้าลูกหลานโง่ถึงขนาดนั้นเพราะนั้นลูกหลานนะอย่าโง่นะลูกหลานหนะนะลวงพ่ อ, อนนะเองนะอพ่อหลวงพ่อเองสร้างโรงเรียนมาเท่าไหร่แถบแถนี่เห็นไหมเอเดี๋ยวนี้ก็จะสร้างเอาให้อํเภอเพนอยู่ลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อ นี่เห็นไหมที่นั่งผ่านไปเนี่ยนะโรงเรียนบ้ารนาคําร้อยนะเนี่ยทั้งสิบหกห้องเรียนนะหมดไปทั้งสี่ห้าหกล้านาทั้งอนุบาลด้วยทั้งโรงเรียนด้วยาจากนั้นไปทางน้ําโสมเห็นไหมโรงเรียนจันตุ๊ตะโกธีรธรรมโมอที่น้ำโสมก็ทั้งสองหลังบักใหญ่สามชั้นนะทั้งสองหลังอยู่นั้นนะอยู่ที่อําเภอน้ำโสมนะที่เอราวันกันหลังหนึ่งเห็นไหมที่เชียงคานอีก ที่อำเภอหนองสูงคำชีอีแถบแถบนั้นเนี่ยหลาย10หลังหลวงพ่อสร้างโรงเรียนเพราะนั้นสร้างให้กายกสร้างให้เพื่อลูกเพื่อล้านให้เพื่อการศึกษาไม่ได้สร้างเพื่ออย่างอื่นนะเพื่ออยากจะให้ลูกหลานเห็นลูกหลานเป็นคนดีเห็นไหมโดมของโรงเรียนอุดรพิชัยรักเนี่ยหลวงพ่อไปทอดผ้า ป, ป่าให้ตั้งได้ทั้งสล้านแต่คิดว่าเขาจะใช้เงินประมาณสักหล้านหลังนี่นะโดมแบบบมโดมใหญ่ มีแต่ลังคากับเสาสำหรับให้ลูกหลานเข้าไปท ำ, ทำพิธีกรรมวันแม่วั น, วนพ่อวันอะไรวันไห ว, วครนะูเดี๋ยวนี้นักเรียนตากแดดทำทั้ง3สี่ชุดแต่ถ้าว่าเป็นอย่างนี้ได้นักเรียน 3,000 กับ100ยคนน่าจะเพียงพอโดมหลังนี้นะนี่แหละหลวงพ่อเองก็ไม่ได้มอ ง, มองข้ามไม่ได้ดูได้ในการที่ดูการศึกษาและก็พร้อมกันเนี่ย นักเรียนพยาบาลร า, าชช น, นีทางไปนงโนนสูง เ, เขาจะทอดผ้า ป, ป่าเพื่อจะซื้อรถให้พยาบาล เ, าเป็นโรงเรียนพยาบาลหลวงพ่อเออถ้าว่าลูกหลานใครก็ตามมาเรียนหนังสืออยู่ที่วิทยาลัยแห่งนี้เขาคงจะเป็นห่วงลูกห่วงหลานของเข า, เาไปนอนอยู่บ้านหลังนั้นตียนั้นจากนั้นก็มานั่งรถสองแถวนั่งรถอีตุกๆกลับไปถึงบ้านแต่ถ้ามันมีรถบัส ประจอดที่ข้างถงนนก็วิ่งแล้วก็ส่ ง, ส ง, ส ง, สงความปลอดภัยพ่อแม่เขาได้ยินก็คงจะดีอกดีใจเพราะว่าปลอดภัยลูกหลานในคืนรถบัสแล้วก็ลงถึงที่พักพาอาศัยของตนเองพอรถบัสนำส่งถึงสถานที่นี่แหละราคาเท่าไหร่ราคาห้าล้านห้าล้านห้าแสนลงพ่อเออเอาไปเป็นประธานพอที่สุดได้ห้าล้านสมแ 0,000 นนะเดี๋ยวนี้กาลังสังส่งทารถอยู่ที่ ลาดบุรีอืที่แรกว่าจะเอารถโกราชเอแต่นี้เป็นเป็นวอลโว่ถ้าวนโว่เนี่ยมันราคามันห้าห้า้านห้าแสนห้า้านห้าแสนก็พอแต่ว่ามันเป็นรถฝรั่งมาแต่มันเสียหายขึ้นมามันซ่อมยากอถ้าว่าเป็นรถทางราชบุรีนะรถบ้านนั่นอ่ะออันนั้นว่าเป็นรถฮิโน่รถฮิโน่รถสองชั้นเหมือนกันนะแต่เพระาะวมันราคารถลงน้อยนึง เป็นห้าล้านสามแสนเขาบอกเขาจะขับรถมาส่งหลวงพ่อให้หลวงพ่อได้ดูอยู่คอนนี่แหละหลวงพ่อไม่ได้มองข้ามลูกหลานการศึกษาสรุปแล้วก็คือหลวงพ่อเสริมนะส่งเสริมการศึกษาของลูกของหลานไม่ใช่เธอเสริมแต่การศึกษาพยาบาลหลวงพ่อก็ส่งเสริมเดี๋ยวนี่สร้างตึกอยุทธทิศตึกหลังตึกหลงตานหลังบักใหญ่เธอเลยน ะ, ะ10ชั้นจอดรถได้ประมาณสักเจ็ร้อยคัน หมดไปแ80ดิบกว่าล้านเสร็จแล้วมอบงวดสุดท้ายแล้วแต่เราที่มีมีแต่หาวันฉลองเด่นหลวงพ่อยังติดงานหลวงปู่จามอย่างที่ว่านเดี๋ยวนี้มีแต่พวกญาติของป่วยขึ้นไปนอนไปนอนไปนอนอยู่ในตึกนะั้นเพราะเราไม่ให้ยังไม่ให้ลถขึ้นไปจอดใช่ไหมเนี่ยนี่แหละอันนี้ก็คือหลวงพ่อเรื่องพยาบาลเครื่องไม้เครื่องมือของแพทย์หลวงพ่อก็เอง ไม่ได้มองข้ามอีกเหมือนกันการศึกษาการแพทย์หลวงพ่อคิดว่าคนในชาติของเราชาติไทยของเราถ้าไม่ได้ไม่ได้รับการศึกษาที่ดีครูบาอาจารย์ไม่ใส่ใจนักเรียนไม่ใส่ใจในการศึกษาประเทศชาติจะเจริญรุ่งเรืองไปได้อย่างไรถ้าว่าประเทศชาติจเจริญรุ่งเรืองไปแล้วแต่ยการศึกษาก็ดีการ อ, อ, อยู่การกินอะไรดีหมดแต่การแพทย์ไม่ดี และจะเป็นยังไงคนที่เจ็บไข้ที่ป่วยก็ต้องเอาเงินขนไปเมืองนอกเพื่อรักษาสุขภาพรักษาร่างกายของตนเองเป็นเงินเท่าไหร่ที่มันเสียไปนั้นนะเมืองไทยมันน่าจะให้มีแพทย์ที่ดีที่สุดการแพทย์ต้องให้ดีที่สุด เ, เหมือนกับรถเนี่ยเราจะซื้อซื้อมาจากประเทศไหนก็ตามจะเป็นโรซลอยก็ตามจะเป็นเบนซ์เป็นบีออะไรก็ตามอีกสักวันเนี่ยมันต้องเข้าอู่ ไม่มีรถขนไหนไม่เข้าอู่อันนี้ก็เหมือนกันระดับเศรษฐีพ่อค้าขนาดรวยขนาดไหนก็เถอะอีกสักวันหนึ่งต้องเข้าอู่ต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะนั้นโรงพยาบาลมีความจําเป็นะหลวงพ่อคิดอย่างนั้นไปอีกนะลูกหลานนะไม่ใช่คิดใกล้ๆนะนี่แหละความคิดของหลวงปู่หลวงตาพระป่าเหลวงพ่อยังคิดอีกนะแต่พวกเราอย่าไปพูดให้ใครฟังนะหลวงพ่อบอกอพวกเดินมอบเนี่ยมันโง่จริงๆหลวงพ่อว่านงะ ทำไม้ไปปิดถนนทําไมไปปิดถนนตัวเองไปปิดถนนก็เหมือนกับปิดหนทางตัวเองพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายใช่ไหมล่ะบางทีเมียตัวเองจะออกลูกก็ควมาปิดบางทีพ่อตัวเองใจจะขาดเข้าไปปิดถนนแล้วจะไปยโรงพยาบาลได้ยังไงไม ป, ปิดถนนก็มือนกับปิดตั ว, ตวเองนะ่ยก็รู้อยู่แล้วว่าผู้แทนราดชะดอเป็นไข่ในท้องถิ่นเราเลือกใข่เป็นผู้แทน ทำไมเรายังไปเป็นล้อมบ้านผู้แทนไปล้อมบ้านผู้แทนมาจริงอยู่ไปล้อมนายอำเภอก็ไม่ทุกไปล้อมบ้านผู้ว่าก็ไม่ทุกเพราะผู้แทนของเราคือใครผู้แทนทรัษดอนต้องไปล้อมบ้านผู้แทนท่านผู้แทนข้าพเจ้าเดือดร้อนระยะราคา ย, ยางมันถูกนะท่านต้องไปพูดกับรัฐบาลข้าพเจ้าเดือดร้อนถ้าท่านไม่มีความสามารถให้ท่านลาออกจากผู้แทน มันจึงจะถูกมันได้ไปปิดถนนให้โง่ทําไมหลวงพอ่อแต่อย่าไปพูดไปพูดมานะ ล, ลูกหลานนะอย่าไปบอกว่าหลวงพ่ออินแนะนำเนะ mm hmm. <laughs> แม่บอกผู้บาอาจารย์ว่าแต่อย่าไปบอกว่าหลวงพ่ออินแนะ น, นําเน่าว mm ่า hmm. ผูใ้ใดเป็นหัวหน้าต้องเป็นสันใครเป็นหัวหน้าใช่ไหม อย่างอธิการบดีก็เหมือนกันคณะบดีก็เหอนถ้าว่าทําไม่ดีใช่ไหมพวกเราจะเป็นครูบาอาจารย์พวกเป็นลูกศิษย์ก็ต้องบอกหัวหน้าทําอย่างนี้ไม่ดีเดินอย่างนี้ไม่ถูกต้องอถ้าทำอย่างน้ดีไหมต้องชี้แจงต้องมีเหตุผลถ้าท่านชี้แจงไม่ได้ก็ะแสดงว่าท่านไม่มีเหตุมีผลท่านไม่ควรจะอยู่ในจุดนี้อันนี้คือหัวหน้ามันต้อง ม, มันต้องมองหมูมองเพื่อนมองประเทศชาติบ้านเมืองมันจึงจะถูกหลวงพ่อว่านะ หลวงพ่อแนะนำลูกหลานหลายๆมุมหลายๆมองเหมือนกันนะลูกหลานนะแต่ใ น, นเขาเขาก็มาถามหลวงพ่อว่าเอ๊ะหลวงพ่อถ้าบ้านเมืองไปอ ย, อย่างนี้ล้วจะทำยังไงถ้ามันเปลีย่ยนอย่างทุกวันนี้เพราะมันมีพรรคมีพวกหลวงพ่อบอกว่าในความเห็นหลวงพ่อนะหลวงพ่อว่าน่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนระบบใหม่ระบบใหม่นะั่นคือยังไง ชื่อว่าชาวนาพวกชาวนาทั้งหลายให้จดทะเบียนชาวนาสวนยางทั้งหลายจดทะเบียนสวนยางเข้าโพดจดทะเบียนเข้าโพดมันจำหลังจดทะเบียนมันจำหลังพวกของห่วยจดทะเบียนเป็นพ่อค้าพวกนักธุรกิจจดทะเบียนนักธุรกิจทหารจดทะเบียนทหารตำรวจจดทะเบียนตำรวจพิ่ภากษาอายการครูบาอาจารย์จดทะเบียนของใครของเรา ได้ให้เป็นผู้แทนของตัวเองให้เลือกผู้แทนของตัวเองพอเลือกเสร็จแล้วให้ผู้แทนตัวเองนะเป็นผู้แทนของข้าพาเจ้าอแต่ได้กับผู้แทนต่อผู้แทนก็มามาคุยกันผลประโยชน์มันจะได้หารลงกันจะเอาลงประเทศไหนลงไปที่ไหนเ ป, ป็นยังไงมันมั น, ม, นมันต้องลักษณะอย่างนี้แหละแบ่งกลุ่มใหม่มหมคล้ายๆกับวันเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เราคิดดูสิว่าพ่อค้าเนี่ย พ่อค้าเนี่ยพ่อค้าข้าวเนี่ยกินหัวเกษตรทําไมขนาดข้าวจะได้ยุย้งในสางตัวเองเดินเมษาแท้ๆยังไปหักความชื้นออกอยู่ใช่ไหมมันจะชื้นได้ยังไงมันเดือนเมษาอยู่ในยุงใช่ไหมมันหมดความชื้นแล้ยังไปหักสิ่งแปบเสียงเจียโปรเอ็มันหมดไปอีกเท่าไหรไห่สิ่งเจียวปรกับสิ่งเหล่านั้น่เพราะมันหักจน จนชาวบ้านจนไปไม่ออกเดือดจนไม่ได้กําไรเลยนะแต่นี้ถ้าว่าเราเป็นตัวแทนของเราใช่ไหมชาวนาใครไปทําอย่างนั้นลงสีไหนทําอย่างนั้นผู้แทนของเราไปเอออย่าทําอย่างนั้นนะถ้าทำอย่าง น, น้พวกเราอยากขายให้นะเออมันไม่เป็นธรรมนะลักษณะอย่างนี้มันต้องเป็นกลุ่มใช่ไหมเ น, เนี่ยพ้นในส่วนเนี่ยพ่อค้าก็ต้องระเวียนระวังอยู่ตามกฎเอกเกษตรก็อยู่ตามกฎพ่อค้าก็อยู่ตามกฎใช่ไหมล่ะ แต่เนี่ข้าราชการก็เหมือนกันกินหัวกินหัวพ่อค้าค้าราชการถ้ามึงจะมึงจะทําถนนทําให้กูห้เปอร์เซ็นี่สเอร์เซกินหัวขิวกูจะไม่เซ็นให้มึงเออมาถ้าเอามาน้อยกับมันแบ่งกันไม่ทั่วถึงพอได้เซอกับพ่อค้าทั้งหลายก็ยอมประยอมเซ็นให้แล้วก็ไปทำถนนมันก็ห่วยทั้งหมดเลยเพื่อนเออทั้งที่มันจะมีหินมีแต่ดินเหนียวซัดลงไปใช่ไหม เสียดแรกกับผก็ไปเป็นไจบไปเออสร็จให้พมมันกินเงินของเขาแล้วนะอันนี้แหละประเทศชาติบ้านเมืองหลวงพ่อวามันมันมั น, ม, นมันต้องปรับปรุงใหม่อันนี้นักศึกษามาเนี่ย น, นักศึกษาฟังไว้นะลูกหลานนะสูตเจ้าจะเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้านะให้ฟังเอาไว้อันนี้เพื่อการศึกษาทั้งหมดนะหลวงพ่อพูดให้ฟังนะเพื่อการศึกษานะทามันไม่ถูกก็ไม่เป็นไรทิ้งเลยเถ้ามันถูกโอ้ชยัยน่าจะไปคิดต่อใช่ไหมละ่ะเออ เอาละพอแล้วเอาละพอฉบับ